การกระทำได้นำไปปฏิบัติโดยยินโดยฟังมามากโดยย่อมฉลาดในการกระทรําด้ฉลาดในการกระทายอ่อมเจริญลุกโหยงขึ้นในการกระทำในแตหลายอย่าง ยี่สิบโลวันมิหลอย่างภายในเท่านึงห้าภายในเท่านึงเป็นหนึ่งเรื่องใหญ่ใหญายในเ่นงันหลอย่จะต้องมิหลอย่างไม่ได้ด้วยคนก็ด้วยมนุ์ไม่ได้ด้วยมนุ์ก็ด้วยคาถาด้วยมอชราะเาไม่ได้จนเราศึกษา ได้ยิไม่ฟังมามากจนต้องสูตรไม่ได้ฟังมาเลือกมาจะทำดูต่อสัปดาห์ก็สูตรตอนเช้าตอนเย็นสวดมนต์ไหว้พะไม่ได้นอนสอนดีดีข้ามาประกอบการสอนตัวเอง ถ้าไม่ออกมาประกอบถอนเองไม่ได้สลาดเอาแต่ดีขึ้นนะไม่มีบุญอะไรตรวจมนุษย์เจ้าบุญยังได้ตรงไหนถ้าไม่ออกมาทำไม่ประกอบขึ้นมาจะมีบุญมีกุศลก็เพราะมาประกอบขึ้นมาเอากายเอาใจนี่ไปต่อเอาถึงที่ดีที่ถูกต้อง โดยพราะวิชากรมมฐานนี้สปวิชาที่ชัดเจนแน่นย้ำในการกระทํามทำความชั่วก็ชัดเจนการทำความดีก็ชัดเจนได้เห็นได้รู้ได้ดูได้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องมันชัดเจนมันคนดูงานดูก่อน แต่พี่อรณ์ที่แก่หายถ้าถูกกระทงไปไม่เสียเวลารรมนนี้ทให้เราได้คามแ่นชัดเจนยิ่งขึ้นในการทำความดีการหน้าความชั่วไหนเราก็เป็นนักบวชเข้ามาสู่ในพระกาสัพพ นุ่งเหืองนุ่งขาวเป็นธนาคาลิกะออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วในสวนกอยคิดไปเรื่อยข้างเพื่อสะเป็นเพื่นักบวดหรือว่าสำนักเพศเอาถึงใจให้ถึงใจนักบวดด้วยเรื่อว่าอุดมเพศ ขึ้นเตาร์ถิใจให้เห็นใจโดยเฉพาะเรื่องใจเรื่องสาคัญให้ิดจเรื่องสาคัญตั้งไว้ให้ถูกตั้งไว้ถูกพอชอบพอทำภัยวันเราสัญญาคาเมื่อกำมาดีญาขาที่เราถวบกบอดมีได้ ทำกับใจก็ทําเหมือนกับยาชาถอนยาชาขึ้นเพื่อให้ยาช า, ามันบาดมือเราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์พอความคิดจิตใจแม้ว่ามันถูกบาดแล้วทําทำดีก็เห็นหวันนั้นไม่ได้บาดทํำสัมดีก็ได้สําเร็จทําสื่เล่าของเสื่อของไม่สําเร็จต่อยทิ้ง ไม่ติดตามถ้าเราเปิดคำวิห า, านแล้วมันติดติดตามตั้ใจสันท่าสองขอใจใี้จดจ่าสองเชื่อมันมีความเพียนวิทยาเยนประกอบอีู่เสมอมีจิตใจเอาใจใส่อยู่เสมอมี ประสบการณ์ในความผิดควาถูกจะหนักหรือชำนาว่ากขึ้นจิตก็จะชำนาญในความผิดความถูก a านทุกข์ชำนาญในควาไม่ทุกข์อนหลงก็ชำนาญในความไม่หลงก็ไนสักการในฉันทะในวิญญาณในจิตต์ในธรรมวิจิต ตอดจองดูเห็น่หลอกเังไม่ได้ถ้ามีจะติดเป็นเจนที่วัดแล้วจะไเจอข่าวที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องขึ้นมามันสนุกตีได้ข้อมูลได้ทิกสดดีใหม่ๆอยู่เรื่อยในการรักของชั่วในการทำความดีก็ย่อมสะดวกขึ้น จะเลืนขึ้นง vale ่ายขึ้นของยากเป็นของง่ายขึ้นของหนักเป็นของเบาขึ้นวิชาคมวัฏฐานเป็นวิชาที่ผลส่งฤทของโราไปถวาถูกต้งมันเห็นควาไม่ถูกต้องก็ผลตรงล่อยเอาเสตุคำวัฏฐานไปทีตั้งมีสติภายในกายอยู่เสมอ ก็เห็นเข้าจะเห็นออกถ้ามาเคลื่อนไหวถ้ามาชญยะบัพพะมันเคลื่อนไหวหรือว่าบัพพะถ้องเห็นความคิดที่เกิดขึ้นมาได้เห็นจิตตบัพพะดูจุดเดียวเห็นเป็นหมดเป็นหลาดนัดตลาดนัดของสัพพจริ่งที่เกิดขึ้นกับตายกับใจก็มีสติศูนย์รวม ถ้าไม่มีะติเขากระชวกระจายที่ผีดที่ถูกมาได้เอาความผิดก็โทษถึงตัวก่อนหลวงพ่อเข้าถึงตัวก่อนเสยเสียเตียบทุกครั้งที่มันเหตุเียเตียบทุกครั้งที่มันคิดมันคิมันทุกเสียเรียบทุกครั้งที่มันหลงหลงก็เป็นหลงไปทุก็เป็นทุกไป มันก็ทกําความดีไม่ทันคามดีก็มาทีหลังก็เพื่อนจนแล้วแจ้มไม่ได้ลางทีก็ขายจนนิดสายราคาจะหลิดโทรศัพจะหลุดงห า, าจะหลิดง่ายทีไปทางนั้ น, คนเคยชิมจนแล้วจิตใจก็เคยชินไปทางนั้น หมดผิวไปไหนจนเกิดความสุขความทุกข์เกิดจากคิดเกดควมสุขความทุกข์เกิดจากคิดเกิจิเลือตั้งห้าจากความคิดเสียแล้วทังไปแล้วต่อมาไปแล้วเข้าถึงแล้วก็ยอกแค่หน่อยเด่นต่อมาต่อรู้ความคิด เรื่องความคิดเป็นเรื่องยอดไปเลยถ้าเกิดความคิดไหลขึ้นมาเป็ยอดแล้วยอมแล้วที่แค่มาตลอดบลรังไคมาตลอดให้ความคิดแบบเป็นสุกเป็นทุกข์ให้ความคิดฝาก เ, เกิดกิเลสตัณหานอนอยู่ก็นอนไม่หลับเท่ามันคิดเื่นเท่าก็ไม่หลงเท้ามันคิด แล้วเป็นไปตามความจตจตสาะพอปลดแก่เสแล้วเมื่อประมาณเดือนก็จำ่ำพลาดแพ้หลงจะหลงขี้แท้ทุกข์เป็นทุกข์คนขี้แท้โกรธ็นโกรธคนขี้แท้เป็นตะลักชัร์เป็นบาปชาตนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไร แต่ป่าละชัยท่าแพ้นักหลักเก็เกิดอาการร่างกายทั้งวาจาทั้งใจขึ้นมาใน c ารกระทั่งสำเร็จ g ป็นกรรมสมบูรณ์สำท้วสมบูรณ์แบบเราจึงฝึกกรรมฐานนี่ให้มันมั่นคงแม่นยำชัดเจนหัดตนสตนถ้าไม่หัดไม่เต็ม สายใเนี่ยเขาไม่หัดมันไม่เนมันเรียนรู้เรียนรู้ท่องเอาไปได้คติความู้ได้ค h สัญญาความรู้ตัวจออกมาษาจำรู้จำมานู้แกล้งรู้มันมีสองด่างรู้จำมันหนึ่งรู้แัหนึ่งรู้จสอบดักทำตีตัวเงได้จบเรียนจบอะไรก็ได้ในความรู้ ที่เล่าที่อย่าความทุกข์นเยอะแยะทำบาปทำกรรมหลอกวงคนกันเยอะแยะพอสิ่งอื่นที่คนทำไม่ได้มาอาเต้นนักวบวชออกวงคนทัวดดังทั่วโลกปู่เน้นคำหรว่าล้นคำเสรแล้วฮิตแล้วผลก็เสรแล้ว ปล่อยคนหลอกจนมีพระนับบวดต้องนับปกครองปล่อยทำนี้มานานหรือเก็นหลอกคนเื้อหายถ้าสิดตามจับมาไล่ข้ามแดนนี่มาอยู่ต่างประเทศหลอกหลอกท่าไหร่แล้วก็ เสียด้วยเราเป็นนักปวดเหมือนกันระวังจะไม่ลู่ไม่ชี้ก็ก็ไม่ลู่ไปขี้นันก็ผิดก็ไม่ลู่ไม่ชี้ก็ผิดไม่บอกผิดบอกตัวตัวกันไม่ลูแล้วก็ไม่ชี้ไม่ได้ชี้พลาดแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับ เนเงินวัตถุเงินคนเองจึงก็ะส่วนต่อโมฆะบูรุษแล้วถ้าลู่แล้วไม่ขี้ก็ผิดโมฆะบูรุษเช่นเดียวกันถ้าไม่ลู่ไปขี้ก็ผิดโมฆะบุรุษเช่นกันถ้าลู่แล้วตรงที่หรือว่าบีและบูรุษจบตบมูลุษ ถ้ามารุ่ต้องศึกษาให้รูกเพื่อจะได้ไปชี้อันนี้เป็นนักศึกษาใั้งใจเรื่องนี้ตั้งใจศึกษาเร่องนี้เรว่อวิชากรรมฐานเหมือนวระลาหุนตั้ศึกษาเรื่องนี้จะได้เป็นพะหุสูตมาที่จุด ลาหุ่นนี่อธิษฐานใจ ก, กอบเป็นสายขึ้นมากอบนึงยกขึ้นดูทั่วหัวถ้าพระเจ้าจะศึกษาให้มากที่สุดเท่ากับเม็ดชายในกบมือของข้าพเจ้านี่แต่ตั้งจะศึกษาลู้หมดเอเื้องจนไวหนุ่มไวรุ่น จะนำเอตตะทไม่เลือดของการศึกษาใส่ใจการศึกษามาดูสิต่อว่าถูกก็จะจดตาขนาดจะจำเหม่เห็นสมมาตรจะต้องใส่ใจสมอเม่เห็นคนเห็นสมมาตรก็เลือกเอาสน เรียนคำพูดมัเรียกมาสอนมันเห็นอยู่ที่สดงมาคำพูดทางกระทำต่อตาแลเรียกมาสอนสอนไม่ไหวทสอนไม่ไหวก็เกิดความลับผิดชอบตัวเองนิดหน่อยก็ไมได้แต่เกดตั้งแต่ระหวนเนความผิดพลาด คือมันแสดงออกมาจากาจาการจัดใจพระเจ้าเปรียบเทียบลาหนจะมากราบมาลา่างเท้าภาสาตะดามาลา่างเท้าเราภาสาตะดาก็ออกลาหนน้ำในกลาหมด้อยยาน หลังอยู่พระเจ้าข่า อ, อาตักขึ้นมาลาหงอนอตักน้ําขึ้นมาเตจนกันลาเอาเตลงไปเตลงไปทิงข่วมกันลาไว้ลาหงอนน้นําในกันลาหมดไม่อ ย, อย่างเตหมดแล้วข่วมไว้แล้วหายขึ้นมาดู ลอยขึ้นมาก็มันมีน้ำลาความชั่วความดีถ้ามันหนีไปถ้าความชั่วคิดไปแล้วเหมือนกันน้ํามกันลามันก็ไม่มีเผยออกจนแล้วถ้าเรามีความดีไหลไปสู่คน คชั่วครอบลั่งหรือ น, น้ำหรือกลาก็ไมเวลาทำชั่วจนดีไม่เหลือเลยเหมือนหายลาขึ้นมาน้าเหมือนคนดีเวลาทำคนชั่วน้ากลาก็หมดอ๋ไม่มีแนิดเลย ถ้าทำความชั่วความดีก็หมดถ้าทำความดีความชั่วก็หมดเราจะทำช่นใดเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องตื่ใจศึกษาอย่าปมหมาดเราเห็นก็เลยตั้งใจหลงไม่ได้เด็ดขาดเหียดพยายามรู้จิตตัวอยึดเสมอมันจะได้เห็น เราได้แก่เกิดจิตเกิดต้นสิทธิของเราเพิ่ขึ้นเดียวกันอาจจะเคยหลงมานานจิดปียี่จุดปีก็มีสองจิดปีก็มีห้าจิดปีหกจุดปีก็มีไม่เคยเฉยใจเคยทุกมานานเคยกวดมานาน แต่เกี่ยวกับจิตใจจิตใจนี่มันดีๆมาแต่ก่อนบรยสุดมาแต่ก่อนเครื่องขมหลงเกิดขึ้นเครื่องขวบขมทุกขเกิดขึ้นมันก็เปิดเพื่อนจนแล้วใจดีๆก็เป็นใจเปิดเพื่อนเจ่ามองไปรวมเปิดเพื่อนเกิดจากจิตใจนี้มันก็เป็นกรรม ที่สดงออกมาทังกายและกรรมีาปกรรมเป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองง่ายพอเป็นทุกข์เป็นโทษต่อคนอื่นจป็นอย่างวัตถุอื่นหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่สงบเกดร้อนจึงโศจารจการดูดเือเรื่องนี้มีกรรมฐานเท่านั้นอับตนสนตนเกือนตนเจ้าขยจนอยู่เสมอ มันจะเห็นไม่ติดบังอะไรดอกโดยเฉพาะอย่างที่เกิดขึกับตาระเจิบนี้ไม่มีตรงไหนปิดบังได้มันมีความดีลับตมิติันเหมือนกับว่าเปิดของปิดออกหายของ่วงขึ้นแล้วสนุกเขนของชิมาดีออกมันต้องเห็นแน่นอนของที่เสดออกมันถูกปิดมานาน พ อ, อที่ขวงอยู่หายเึ้นได้ก็ต้องเหินเนีนาา่นอนธรรมฐานเหมือนเป็นเช่น น, นั่นเหินตัวเองไม่เหินคนอื่นโดยก่อนไม่ไจะเห็นความชิดดมอเห็นจะดตาจาง ก, นกนหน้าทาเป้งลับน้ำขัดเล็บขนหนวดสีผมแสง่งผมยอมผม แต่ว่าถ้ามนมีกรรมานจะไม่เห็นส่เสึกับจิตอาการของจิตจะไม่เห็นเห็นจักรก็วะจิตไปเลยถูกทอดิงมานานแล้วเอรื่องอะไรเกิจิตก็มันจะคอยตมไม่หลบกรรมนานะเห็นามนคิดที่เกิดจาก จิตเป็นระหว่างของจิตโดยรู้จักว่าโอ้โหเกิดมาด้วยจิตสามจิตที่ไม่เห็นความคิดต้วยก็ไม่หลุดตื่นว่ามันด้านมาปล่อยความคิดไหลไปถึงโน่นถึงนี้ถึงความพอใจถึงความไม่พอใจเป็นอย่าง น, านั้นพอมาเห็นนี่ก็ได้แจ้ตื่นเลยว่า เอื่อ่วงคิดตัวเองที่ไม่ตั้งใจความคิดที่ไม่ตั้งใจนี้เราก็เฉยเมื่อป่วยกรรมฐานมาดูเฉยชฉดแล้ ว, ลวเป็นเรื่องหยอบคายที่สุดของตวบมคิดที่ไม่ตั้งใจเนี่ยแต่ก่อนรู้ว่ามันเดือนลายคิดไหลกันได้กว่าเขียนที่สุดจิดจนี้ ในความคิดท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้หมกมุ่นคุ้ตคิดในลมใจขุ่นชนก็ไม่หวาคือกรรมฐานเท่าได้มีสติเห็นกายเค่นไวรอมีสติดูกายเค่อนเห็นจมันคิดนี่้มันมีเครื่องมืออันดีงไหนนีมันเห็นอย่นี้ทำอย่านี้เห็นอนี้มันไแตรงนี้เปิดความหัวใจความกระฉันทปา จ a ตเจาอใจดีเสมอมารวมกันเข้าได้รักความหลงเป็นควมู้ได้รมิป็นมถูกต้ได้หอยหลายหลาั้งหอยทั้งฝนฝนรู้หนึ่งข้งหลงหนึ่งขร้หลงลอยข้งรู้ลอยข้งรู้เท่ารู้ทนไปก็ชันก็ถดถอยมหลงน้อยลง ความู้เพิ่มขึ้นนี่จิตประกอบสมถกรรมขึ้นมาได้มีอันนี้สงฆ์มั่นใจความไว้ขดเกิดขึ้นจากจิตใจได้เข็มหลงเป็นรูโอ้โอันนี้นนนนขึ้นขึ้นมาทุกเขียนทุกเป็นรูนี้ขึ้นขึ้นมาโอ้ขิ้นเกิดตรงนี้สมาธิเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้อาจจะเป็น ชีวิตที่เหคนกลายเป็นมนุษย์เสียงกันตรงนี้คนมันงนไปหมดมนุษย์มันแยกได้อย่างนี้มันทุกเห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็พ่นจอทุกข์นี่คือมนุษย์มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นทุกโกรธนี่คือมนุษย์มนุษย์ชนนั้นจะเป็นพระมนุษย์แบบนี้มนุษย์ที่ไม่เป็นแบนี้ไม่เป็นพระเลยมนุษย์โตชี เป็นมนุษยไ้ยังแล้วจบอกมาเป็นเตแ่ยังไม่เป็นแบนี้ยังเป็นคนอยู่ก็มีโอนเงไปคนก็ไปทงต่ำหลงนลงไปทตทุกข์นทุกข์ไปทางสมต่ำก็แบบนีก็ประชวบ่ยได้หลงจนรู้ทุกข์จนรู้ไปทางสูงนี้ล วันงดแล้ววันประเสริฐขึ้นมาแล้วใจสูงขึ้นมาด้วจัตฐานะของเราต่านเก่ากันภาวะเดิมดย่างนี้ก็ยังขึ้นแล้ววนเนี่ยถึงสอบเป็กลางตองอย่างที่บ่งบอกเลื่อนฐานะผานภาวะเดิมไปสู่ภาวะใหม่ภาว่าชีวิตได้ชีวิตแบบใหม่บริสุทธิ์ขึ้นมา รู้สึกสวยง า, ามในตัวเองมันก็สึกได้ชิตเนี่ยถ้ามันแฉลมนะจ๊ะมันก็สะดวกมันก็เกิดความในตัวมันเองจนสมในตัวมันเอง หลงนะจะมีความไม่หลงแทนที่กันทียันอัตโ น, ม, ม, ม, น, นมัติหันหน้าตักน้าไหนไหองค์แลตัดออกแล้ก็มาจนหลงแล้วก็นาก้าคนไหลเข้าแทนที่ตากาดหันกันเป็นอัตโน ม, มัติล้วจะเกณฑ์มันเลยในตัวมึงเองหาดูกายจิตดูจิตไปเอง ก็หดัดมันเปณฑ์เสร็จแล้วเมื่อเกิดจะดวกขึ้นก็นนเกิจะละจรไม่ตกิดการศึกษาการปฏิบัติการฝึกฝนสอนฝันเปิดความสะดวกกว่าวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาผ่นอนโน่นผ่อนนี่บางทีผ่านก็ได้เกิดรู้จิตในสิ่งไ้เจิดรู้จักว่ามีสิ่งในสมาธิมีปัญญาแล้วเกิรู้จักว่ามีปัญญา บลุดพ้นแล้วจึงดูยอมเป็นอย่างไงบุตรพ้นเป็นย่งไรเปิดรู้เองเหได้จึงเห็นเห็นได้จึงรู้จิตนี้เป็นจิตแบบเกิดจริงๆถ้าเราเปิดจิตที่มันมีอยู่ก่อนก็หมดบ่อยู่เมื่อนี้เกิดขึ้นมาความดีเกิด ข, ขึ้นเห็นเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้น เห็นอะไรต่างๆที่ตามความเป็นจริงความเท็ความจริงเห็นรูกเห็นน้ำเห็นสมมติเห็นบ n รยับเห็นรูกทุกข์เห็นน้ำทุกข์เห็นรูกทำเห็นน้ำทำมันก็แตกนาแตกการมาลูกทุกข์น้ำทุกข์ลูกทำน้ำทำลูกโลกน้ำโลกลูกสมมติน้ำสมมติวัตถุการณต่าง มันมีอาการที่เกิดจากวัตถุก็มีแต่ก er ่อนเรียกปทุกที่ว่าปวดที่ว่าโลภที่ว่าหลงรือว่าอะไรต่างๆวันนี้ไงไม่ใช่มันมใช่เรื่องแต่ไม่เป็นอาการแต่ก่อนถ้าว่ากวดก็เรื่องใหญ่ถ้ว่าทุกข์ก็เรื่องใหญ่เกิดปหาก็เรื่องใหญ่ไม่คอยสู้ วันไม่เป็นนาการทิพย์ช่วยแต่ว่าอาจารยมน่มนยเขาทิพย์ชยเน้อยนิดเดียวง่ายๆ่าด้วยจิเลศมันใหญ่เพ่ว่าความโกรธ ม, มันใหญ่ความทุกข์มันใหญ่แต่นี่หมายียก ว, ว่าวมันเป็นจิเลศเป็นนาการเกิดจดการสัดการความทุกข์เป็นนาการ ลูกนี่นามนี่มันมีอาการวัตถุอาการมันมีวัตถุไม่มีตามีหูจมูกลิ้นตาใจเป็นวัตถุเป็นอาการมเมื่อวันสัมผัสตานเห็นโลกก็เห็นกิริยาการที่เห็นศึกษว่าเห็นของร่อนพฤติกรรของกายควาหนาปพฤตากรรของกายความปวดความไ่กิริยาการของกาย ความทุกขที่เกิดกับกายกับใจเป็นความทุกข์ที่มีระเบียบความทุกข์องหย่องมันเป็นสภาวะทุกข์ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นนิสัยทุกข์เป็นอยู่ตรงนี้อย่างนั้นอาคารตึกเก่าทุกขเหมืนอนจรมาแต่ว่าทุกข์ของอริยสัจนี่มันทุกข์ที่ต้องละเป็นระเบียบเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ ได้ฝันยาเชอเ่งพวกนี้แช่ไหนแได้มันบอกผู้มันบอกนามมันบอกมาเกิดความสะดวกแก่ฉัมว่ต้องมีคำถามให้คำตอบไปเรื่อยเห็นของเทศของสิงชนนี้ไม่รู้ถามใครตัวเองต้องตอบเองทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วเกิดวงมสะดวกทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ ก็ Raw, know, co. as, ven, ้ลเห็นดำพูเห็นพระพุทธเจ้า e. พู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าพูดแล้วคิดว่าเห็นทองนั่นก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าเฉพาะหน้านี้ผู้ได้เห็นดำพูดนั่นเห็นว่าเดชะชะมุปบาิของที่มันเกิดโตนเรื่องก็สิ่งนี่มีสิงนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิงนี้ก็ไม่มี เห็นไปหมดเมันยาวไปเต้าไปมันกะดลื่อโถนเหมือนต้นใที่มีใบดกดกหนาหนาหัวโตกัดรอดแล้ก็เหี่ยวไปเองเขียวไปเองใบก็ร่วงเองดกที่มันก็ร่วงเองแต่ตอนติดใจมันออกตองชื mình, mình, b ài b ài, ช่อมเหมือนจะบบใบเพื่อตรงไหนติดตรงนั้น เรียกตงนั้นว่านี่มันไม่ต้องทําอย่างนั้นก็แล้วเพราะที่นี่มีที่นี้จึงมีนี่ปฏิสังขภาพได้หลับได้ถานเป็นว่งตัวเองได้เราเรียนเป็นเด็กัเรียนถ้าใส่ใจครูสอนแล้วโูสอนเขาดีสอดพอเห็นจุดเห็นอมาใจกระดอนนั่งอยู่ก็โอ๊ย เขียนลงไปจนตัวตงมาบทสอนคุณลบวกอะไรนี่เป็นตัวดังสือเขียนเลอ่นหมยถึงอพอได้เห็นตัวดังสืออยู่บนกระดานล้วก็ฉลาดเราตอไปหมดแล้วเราอ่านเขียนหมดตัวเขียนหมดสิข้อสิบข้อสิข้อ พ็เข in ียนจบแล้าจบได้หมดแล้วก็นั่งเขียนเอาเขียนเอาง่ายไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องคิดมันจะนอนมันแตกสอนสิ่งก็มาถามจะก็มาถามดึงฉาดเกิดฉานในการในตันี้เป็นเตยื่อควาดับทุกข์เป็นไปัพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัญนิพนธ์จริงจริงอันอื่นไม่รู้ เรียนตรงไหนก็มารู้แต่ได้จิจารืองกรรมฐานนี่เป็นอย่างนี้เรื่องจิตใจก็วังนุ่นตดอ๋อจะดูอะจิตทวมทุกไม่มีที่ตั้งทรมทุกไม่มีที่ตั้งจิตหมดไม่มีที่ตั้งมันมีค่าสรมหลงมันมีค่า ความทุกข์มั่นในข้าวมทุกมั่นในข้าเหนือโลกว่าได้โลกจะไม่มีรสชาติรสของโลกมีรสชาติแต่คนเหนือโลกก็ไม่มีรสชาติแต่ว่าไม่อยู่บนที่ไหนก็เดินอยู่บนดินนี่รสของโลกมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์มีทุกมีทุกของรสของโลกอยู่เหนือรส อยู่ในโลกไม่ได้เดือดร้อนนั่งอยู่บนโลกทุกมาเป็นทุกข์ทุมาเป็นทุกข์ุนั่งอยู่บนโลกก็ทุกข์เป็นจุกทุกข์เป็นทุกข์ไมอยู่ใต้โลกูกโลกแบกถูกโลกทับเออเราฝึกหันเมื่เป็นไปอย่างนี้ตอมาถามนี่ควรจะฝึกเหอจนนุ่มๆในนอจะมีเยียดสิวไปอิจฉาไปยาวนา จวได้ไม่ตกเป็นทอดของอาการหนังตาที่พาให้หลงจะเป็นไม่เป็นก็เป็นทุกข์มีไม่เป็นก็เป็นทุกข์ทำได้กไม่ได้ก็เป็นทุกข์มีมีให้เป็นเป็นไม่ถูกตามวิถีแล้วจะได้ได้ให้เป็นต้องไม่ถูกได้ใเป็นเป็นไม่ถูกเป็นอะไก็เป็นถูกเป็นคนหนุ่มเป็นวคนแก่เป็นคนอะไรก็ถูก ของตนของถึงของทําได้มั่นใจแต่ถ้เป็นอย่างนี้ทุ่มท่าที่ถึงคุณพ่อคุณแม่จะให้เนิดเต็มมาตัวแม่อาจจะมาดูเรื่องนี้ก็ได้หรือลูกก็อาจจะดูดีกว่าเราก็ได้ที่ถึงพ่อถึงแม่แต่พูดไปพ่อแม่รวอง พ่อแม่ก็มาลูกจริงๆให้รู้จักพุ่มไม่รู้จักน้ำจริงๆเติร์สอนจนพอใจเอาใส่ใจมากเื่อมันมีึล่าหวันของดีๆคิดถึงพ่อเสียนแง่เหวันพ่อแม่ได้ได้มาใช้สื่อลูกก่อนลูกเติเลยมาคิดถึงพ่อแง่ก่อนเช้นเดียวกัน โอของพ่อของแม่ห่วงใดญลูกตลอดเวลาได้แลรว่าสคิดถึงลูกก่อนเอาใจใส่สุขสุขภาพของลูกยังกวดสุสุขภาพของตัวใส่ร่วงกันนอกรายทั้งตัวในคิดหลังเกียรติสิทิ์ที่หน้าหลังเกียรของลูกทุกทของลูกกี่ขวดลูกของตัวลูกสึกทั่วเตงใ ไ, ไก็พราะม่กระตับไม่ทาด ลูกสขงคนดีก็แม่ใความสุขใจโอ้ม่อยู่ตรง น, นี้เนาะอ้อกลมข้าเราคุมข้าน้ำนมแล้วตเลี้ยงมาก็นึกถึงประวัติใจที่พาะแม่กำเนิดเกิดมาก็ยังมีกาลใจที่พูดจะปา้าใจะเอามาทำกมดี เก้ roster, courts, ها, ่กาใจอาูปนามมาทำความดีมีคำพูดคำสนก็จะพูดจราแต่ความถูกต้องความถูกต้องตรไม่ถูกต้องก็จะไม่พูดไว้ให้รูปนามเป็นโลกเป็นศุกร์ไวให้มีเป็นทุกขเป็นทุกอยู่ในโลกแบบอิชนละเฉลีภาพเป็นธรรมะทุปััยแนี้เลยไหกาปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ยึดถืงคนนอนคนนี้อยากจะบอกอยากจะสอนพยยอมบอกพยายามสอนแต่เดีวนี้ควรู้กาสแล้เสงก็ไม่มีแล้วแใจกโแซกยอดมีความดันวันเช่าควดันสูงแตตัดใหม่ใหม่เปลี่นขึ้นมาตัดตัดใหม่ ว่าจะจะไม่สนิยบของสังขารร่างกายไม่สะดวกในการที่จะบอกจะสอนายามช่วยตัวเองสมปวยเองเรื่องอย่างนี้คนอื่นเฉือนไม่ได้ต้องขนตัวเองดูตัวเองให้ดีให้โอกาสตรงพี่อย่าให้แดงโอกาสกันอย่าแย่งโอกาสกัน วีไหนที่ทำใม้อยู่เป็นจุกเป็นจุกทำให้ชงงกก็อานด้วยกันเป็นสื่อเดล้อมจึงกันละกันเราทบวากนให้คิดจะช่วยเหลือจึงกันละกนพึ่งพาสกรรมกันแตอเนี่ยหลายหน่วยเป็นนักบวชอยู่ด้วยกันหัวกันยวกัน นี่จากพ่อจากแม่มาเจอรวมกันมาจากกรุงเทพมาจากโน่นจาก น, ากนากี่มาจากัตจากระยูสไต่ว่า่าข้องบกลงหอข้องหม้อลงหอยเป็นทอง เ, เดียวกันตามตาม่างไม่ไดอไหนเสร็แล้วรินนผมลักสาธว่ากัน